ประวัติรูปได้แก่กจิตเฉรูปที่เกิดจากประวัติวิปากวิญญาณเว้นทวิปัปญจวิญญาณแลจิตเสพอรูปวิบากสี่และก็ประวัติกรรมชรูปที่เกิดเกิดจากกรรมะวิญญาณยี่สิบห้าเออตรงนี้ตัวนี้ถ้าพูดเร็วๆหน่อยเนี่ยมันจะมันจะมันจะนั่นกันนะยำหมูช้าๆนิดหนึง่ง <laughs> นะปฏิสนทีวิญ ญ, ญาณสิบเก้ารู้ใช่ไหม อุเบกขาสันติสมหาวิบาก8รูปวิบาก 5, อรูปวิบาก4อย่างนี้ถ้าพูดนี้เกิดคช่อตามทันใช่ไมถ้าประวัติวิปากวิญญาณ32โลกียบากสนั่นแหละใช่อเตุกาวิปากจิตหมาวิบาก8ปรูปวิบาก5อรมวิบาก4ใช่นี่คือประวัติทาไมจึงเรียกวิปากวิญญาณ บอกวิญญาณที่เกิดในประวัติการอย่งนั้นนะหลังปฏิสนที่มาแล้วเรียกว่าประวัติวิปากวิญญาณหมดเลยนะถ้าหวิบากรองยิบากสามสิบสองเกิดในขณะที่เกิดขึ้นนะเกิดหลังปฏิสนที่ไหมถ้าเกิดหลังปฏิสันที่ก็เรียกปวัติวิปากวิญญาณใช่ไหมแต่เขาเดี๋ยวก็ไปถามพระวังเป็นเป็นวิญญาณประเภทไหนบอกเป็นประวัติวิปาก เป็นเป็นประวัติสิวิปากรวิญญาณบอกเป็นประวัติสิวเ อ, เอาปฏิสนธิน้ำเระมีเท่าไหร่ปฏิสนธิน้ำมางคลบอกว่าเจสิกสามห้าไม่ไม่ละหนังสือเลยเนะี่ยตายัางมองทอดลงต่อมปฏิสนธิน้ำปฏิสนธิน้ำก็คือเจสิกสาสิบห้าที่ประกอบกับประกอบกับอะไรอประกอบปฏิสนธิเท่าไหร่ ใช่ต้องบอกประกอบปฏิสนที 49, ่เจ็ดสิบเก้าด้วยปฏิสนที่รูปคืออะไรปฏิสันที่รูปนี่หมายถึงอะไรฉะนั้นถ้ารูปที่ไม่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนที่จะไปเรียกว่าปฏิสนที่รูปได้ไหมยยไม่ได้นะเขาเรียกปฏิสันที่รูปถามว่าจักขูปศาศาัสสัตเป็นปฏิสนที่รูปได้ไหมเออจักขูปัสสัตมีเป็นปฏิสันที่รูปได้ไหม ทำไมไม่ได้บอกโอปาติกาง <laughs> ใช่ไหมบอกโอปาปาติการกระเนิดเนี่ยนะเขาบอกตอบช้ายๆโยมหมูปลอดภัยกอน <laughs> <laughs> ี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดากนี้ก็คือปฏิสนธิรูปเพราะตามความเป็นจริงใช่ไหมอย่าไปเข้าใจเฉพาะว่าจะ อ, อย่าไปเข้าใจเฉพาะเราต้องบอกว่าพบนี้ด้วยนืน อดีตแต่พอมมาตัวโอปาติกาเลยอะไปผุดโตโตขึ้นนี่ถือว่าโอ๊ยธรรมดาผ่านมาแล้วแล้วยังไม่รับปฏิสนที่ประเภทนี้ด้วยนะฉันตราคะเนี่ยยังไม่ยอมตัดยังไม่ยอมละยังร้อยไว้หมดอนะ่ะเนาะปฏิสันที่รูปการมชรูปที่เกิดพร้อม ก, กันกับปฏิสันที่วิญญาณนนะเรียกว่าปฏิสันที่รูปใช่ไหม ถ้าหากพวกอสัญญาปฏิสนธินี้จดเป็นปฏิสนธิรูปไหมบกก็ใช่ปฏิสนธิรูปอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ปฏิสนธิรูปที่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณเป็นปฏิสนธิรูปที่เกิดอย่างเดียวจริงๆปฏิสนธิรูปนะประวัติรูปล่ะตรงนี้แหละที่จะต้องคิดเยอะใช่ไหมจิตตชรูปไนงะในขณะที่ โลเกโยยิบากเกิดขึ้นเว i, ้นทวิสิปเ่ยไหมในขณะนั้นอุปาทัศขณะของจิตเหล่านี้ล้วนทํ า, าปฏิสนธิจิตแต่เออได้ทําล้วนทําจิตตชโร่เกิดทั้งนั้นเลยเช่นสันติสัมปติชนะอุปาทัศขณะของสันติสัมปติชนะอุปาทัศขณะของสันติระนาอุปาทัศขณะของตถารัมบาละในขณะจิตเหล่านี้ล้วนทําจิตตชโร่เกิดขึ้นทั้งนั้นหรือไง แม้แต่อุปาทัศขณะของพวังใช่ไหมของสัตว์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นทุกๆขณะก็ทำจิตตะชรูปให้เป็นไปหายใจหมเวลาลงพวังหายใจนะถ้า ง, งั้นก็ไม่แปลกใจนะจิตตะชรูปยังเดินอยู่จิตตะชรูปยังเป็นไปอยู่นี่เขาเรียกว่าประวัติรูปเว้นทวีสิบไหมในขณะที่ทวีปัญจวิญญาณในะจิตสิบเกิดขึ้นในขณะนั้นนะ่ะ จิตตะชรอุเกิดไหมเกิดไม่เกิดจากขูญญาณจิตเกิดขึ้นที่อุปาถ้าขนาของจากขูญญาณมีมีจิตตะชรอุบไห ม, ไ ม, มไม่มีนะจากขูญยาณโสตวิญญาณคารณวิญญาณชิวหาวิญญาณเนะี่ะสิบเนี้ไม่มีในขณะที่อารมวิบากเกิดขึ้นก็ไม่มีจิตตะชรอุเว้นไปสิบสี่ดวงนะประวัติกรรมชรอุที่เกิดจากอะไรอ่ะกําลังเป็นจิตที่สามกำลัง ไม่สามารถทําจิตแต่เฉลได้เออแล้วออรู้จักประวัติกรรมชรลิมไหมประวัติกรรมชฉลิเดี๋ยวเวลาไปเรียนปฐฐานไปเจอสอบเนี่ตามไม่ทันทีประวัติกรรมชฉลิรู้ไหมกรรมชฉลิกรรมชฉลิรระฉะที่เกิดในประวัติการอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมชรลิจากขูปศาสตรเนี่ย โสตประสาทคานาประสา ท, าสาทชิวหาประสาทกายยประสาทขัทยรูปภาวะรูปที่เกิดทุกๆขณะที่เกิดทุกๆขณะหลังปฏิสนธิมาทั้งหมดน่อันนั้นเขาเรียกวสวติกรรมชรูปอันนี้มาจากกรรมวิ ญ, ญญาณ25ที่ในอดีตนะกรรมวิ ญ, ญญาณ25เว้นวิญ ญ, ญาณเท่าไหร่เว้นวิญญาณเท่าไหร่เว้นอารควิญ ญ, ญาณสี่ ใช่ไหมกรรมวิญญาณมียีบเก้าใช่ไหมเว้นไปซะสนะีเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวประวัติกรรมชรูปที่เกิดขึ้นทุกๆขณะเนี่ยเป็นการจัดว่าเป็นการสืบต่อนั่นเองเนีจัดว่าสืบต่อได้นะเกี่ยวกันในเรื่องคําว่าประวัติรูปเนี่ยต้องต้องรู้ว่าจริงๆหมายถึงจิตแตชรูปแล้วก็หมายถึง ปรวัติมชรู ป, รปด้วยทีนี้ถ้ามองถึงเนลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะสามารถทําความเข้าใจได้นะว่าพอไปได้ยินสท์คําว่าปฏิสนธิวิปากับวิญญาณประวัติวิปากับวิญญาณปฏิสนธิปฏิสนธินามประวัตินามปฏิสนธิรูปประวัติรูปพอดูอย่างนี้ก็คือจะเข้าใจก็ให้เข้าใจโดยฐานว่าเข้าใจกันต่อไปบอกอว่าพูดทึงเร่องนี้เข้าใจกันแล้วนี่เป็นอยังไง วิญญาณที่เป็นปัจจัยช่วยประกาศแกนามรูปมีสามอย่างวิญญาณที่เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่นนมได้แก่อารูประภูมิสี่และกัปัญจโวการภูมิยี่สิบหเน้เขาเรียกวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการะแกนนำเอันนั้นคือคือลักษณะที่ท่านแบ่งไว้สามอย่างในอารมูปภูมินั้นอารมูปวิบากสี่ดวงเป็นปัจจัยช่วยปกาศแกนามคือเจสิกสามสบทั้งในปฏิสันธิการทั้งในประวัติการ ท่าในปฏิสนธิการก็คือทํําทาหน้าที่เกิดขึ้นในภพนั้นภูมินั้นท่านในประวัติการก็คือทําหน้าที่พวังคือการรักษาภพเท่านั้นนะนะนีนนนนน่คือเป็นอย่างนี้เขาทํากิจแค่เนี้ยทําหน้าที่ปฏิสนธิพวังแล้วก็ต่อมาก็คอยแปลเปลี่ยนเป็นจุติแต่ยาวนานมากนะถ้าในทวิปัญ จ, 26, ว, ญจวิญญาณิกิจสิบดวงเป็นปจัจจัยช่วยประกาศลาแก่อะไร สภาวจิตตาสาธารณเจรศิกเจ็ดในประวัติการตามสมควรนะนะตามสมควรมองเห็นนะใช่ไหมทะวิสิบมองตรงนี้จะเห็นนะนะถ้าวิญญาณช่วยวกร า, าแก่รูปในสัญญาสัตภูมิและในปัญจโวกระพุ่ก็คืออสัญญาสัต ภ, ภูมิกรรมวิญญาณนะไอตัวกรรมวิญญาณคืออะไรรู ป, ปาวจระปัญจม จะมะชฌายกุศลเจตนานะกุศลจิตที่ประกอบกับกรรมมันาเรียกประกอบกับอะไรอย่างเงี้ยสัญญาวิราค้าเจตนาภาวนาในดีตพภ์นะสัญญาวิราค้าภาวนาในดีตพภ์เป็นปัจจัยช่วยประการละแก่กรร ม, มัชรูปทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการนะของพวกใครพวกอสัญญัสัตพมพวกนี้พวกอสัญญัติสัตพม นี่วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยกาลักแก่รูปในสัญญาสัตรพรมและสัญญาเวลาคฆาเจตนานในอดีตพบเป็นปัจจัยช่วยปกาลัแก่อะไรกรรมมชรูปทั้งในปฏิสันธิการและในประวัติการของพวกสัญญาสัตตพรมอีกต่างหากด้วยถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะมองเห็นทันทีว่าไอ้ตัวกรร ม, มวิญญาณเนี่ยนะ รูปาวจรปัญจมาญาณกุศลและจิตที่ประกอบกับสัญญาเวลาคัดเจตนาในอดีตภพเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปในปฏิสนธิการไหมและในประวัติการเนี่ยไหมของของพวกสัญญาสัตภ์ภพถ้าเรามองในในวิญญาณที่เป็นปัจจัยแก่อุปการและแก่รูปเนี่ยถ้าในในสัญญาสัตวภุมีวิญญาณเป็นปัจจัยแก่แก่รูปโดยเฉพาะท่านในปัญญาวกากรภูมิ นะันเป็นปัจจัยแก่กรูปเรนามแต่ว่าถ้าแยกออกมาดูว่า เ, очь, เป็นปัจจัยแก่รูปมีนะปฏิสนธิรูปก็มีประวัติรูปก็มีใช่ไหมนี่เป็นอย่างงั้นท่าในการมาภูมิสิบเอ็ด่าในการมาภูมิสิบเอ็ดล่ะอกุศลและจิตสองมหกากุศลจิตแปที่ประกอบกับกุศลอกุศลเจตนาในริทธิภพกุศลอกุศลเจตนาในริทธิภพเป็นปัจจัยช่วยประกาศละแก่ประวัติกรรมมชรูปของพวกใคร พวกอบายเนียาาสัตว์บ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างตามตามสมควรกลุ่มนี้คือตามสมควรในรูปภูมิสิบห้าเวนัสัญญาสัตตภูมิรูปาวจระกุศลจิตห้าที่ประกอบกับประกอบในกุศลเจตนาในดีตาภพเป็นประจัยช่วยประกาศแก่ประวัติกรรมชรื้อรคของพวกรูปภูมิพวกรูปภูมินี้ประวัติกรรมชรื้อรคของเขามีมีอะไรบ้างจักขู่ ปราศาสตาปราสา ท, สสาทหัตถยะแล้วก็อะไรชีวิตด้วยนะชีวิตทะลุอืมนอกนั้นมีอะไรมีกรรมชะโรบอื่นๆ อ, อ, อีกไหมมีแค่นี้ยคานะไม่ได้ชิวหาไม่ได้กายะไม่ได้นะจกักขุทัศโสตทัะได้หัตถยะทัะได้แล้วก็ชีวิตใช่ไหม ได้สี่กลุ่มพวกพรมได้สี่กลุ่มนั่นแหละกรรมชโรบที่เกิดในประวัติการนั่นแหละเรียกปวัติรูปะนะประวัติกรรมชรูปวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประกาศละแก่นามรูปในปัญจโวการภูมิในปัญจโวการภูมิยีวิญญาณคือปัญจโวการละปฏิสนธิ15เป็นปัจจัยช่วยประก า, ากลศก 35, ละแก่นอะไรเจตสิกสาแล้วก็กรรมชรัชรรป ปัญจโวการาประวัติวิปากวิญญาณสิบแปดเวทวิสิบออกไปด้วยนะเป็นปัจจัยช่วยบการละแก่เจสิญศกษามาและกจิตแต่ชรูปได้เดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นแยกหน่อยอกุศลสิบสองหากุศลจิตแปดนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจคําว่าวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยบการละแก่นามรูปในปัญจโวการาภูมิในปัญจโวการาภูมินี่มียี่หกนะมียี่สิบหกนะปัญจโวการาภูมิยี่หก วิญญาณก็คือปัญจโวการาปฏิสนธิเท่าไร่ที่จะทําไปไปเกิดในภูมิยี่สิหกจำวิถีได้ไหมเมื่อเช้าเรียนวิถีได้เลยจำได้ใช่ไหมปัญจโวการาปฏิสนธิสิบห้ามีอะไรบ้างอ่ะสิบห้าอุเบกขาสองมาหายบากแปดโรควิบากห้านี่ปัญจโวการาปฏิสนธิสิบห้าก็เรียกปัญจโวกราภูมิก็ต้องเป็นปฏิสนธินี้ถึง ส5ห้านี้ไปเกิดในยี่หกภูมิใช่ไหมในบบโยภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวร 6, รค์หกโลภูมิสิบห้าเวนอสัญญารวมเป็นยี่สิหกไหมนั่นแหละคือยี่สิบหกภูมิว่าไงยี่หกภูมิปัญจโวการะปฏิสนธิ75เป็นปัจจัยช่วยประกาศลาเกลัยแกลเจตสิกสามสบห้าเจตสิกสาห้าที่ประกอบในปฏิสนทิ75ดสิห้านั่นเองและก็ปฏิสนธิกรรมชรูป แล้วต้องต่อด้วยนะและประวัติวิปากวิญญาณ18วเว้นทวิสิเพราะเขาที่เว้นทวิสิไปเพราะกล่าวทวีแล้วเป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่เจสิกสามห้าแล้วก็จิตแตชรูปอันนั้นก็แยกแยกออกมาตรงนี้ตรงนี้เข้าใจตรงนั้นนะต่อไปทีนี้วินิจฉัยถ้าว่าแสดงลักษณะลักษณะปัจจุบันประทัดฐานก็คือ นามน่รักขันนางมีการน้มไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะนั่นคือลักษณะของนามคำว่าน้อมเนี่ยนะน้อมไปสู่โอนไปสู่โอนเอ็นไปสู่อารมณ์เป็นลักษณะลักษณะของนามเป็นอย่างนี้ที่จริงนามเนี่ยนะโดยความหมายที่ว่าน้อมไปสู่อารมเนี่ท่านกล่าวถึงนามมาทำทั้งหมดเลยนะไม่ใช่นามคือเจสิกันสามแต่ในที่เนี้ยก็มากล่าวอย่างนี้ก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกนะเนี่ย คือการมีการน้อมไปหาเอ็นไปหาโอนไปหาอารมณ์เป็นลักษณะลักษณะของท่านของของนามจะเป็นแบบนี้แสดงว่านามเนี่ยนะเขาบอกว่าธรรมชาติของจิตและเจตสิกเนี่ยเขาเรียกทุรพลทนะุรพลเข้าใจคำว่าทุรพลไหยสามกำลังด้วยเนยก็แปลว่าเหมือนมาเหมือนถ้าในอัตถสารีนีเหมือนคนแก่จะเดินต้องใช้ไม้เท้าใช่ไหม ต้องใช้แม่เท้าอาศัยลุกค้ามยามยันในการยืนเดินนั่งนอนชั้นใดว่าเันสภาพของนามจิตละเจตสิกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาต้องมีปัจจัยเยอะหมดเลยนะที่อาศัยก็ต้องมีอารมณ์ก็ต้องมีว่ า, วางนั้นเอปัจจัยสืบต่อก็จะต้องมีอะไรต่างเหล่านี้แม้เจตสิกกรรม ท, ที่ปรุงแต่งในนั้นก็จะต้องมีเป็นต้นเนี่ย แล้ตัวเจตสิกเองเนี่ยก mm ็ย hmm ังก like ็ต like anyway ้องอุปการะซึ่งกันและกันอยู่นะถ้าอย่างนั้นก็โหไม่ได้เลยแต่สิ่งเหล่านี้เป็นนามใช่ไหมเป็นนามเป็นนามด้วยเป็นขันด้วยเป็นมารด้วยเป็นวิสัยของมารด้วยโอ้หลายอย่างก็สัมปโยคารสังมีการประกอบกับวิญญาณแล้วประกอบกันเองเป็นกิจกิจของเขาก็คือเขาประกอบกับวิญญาณเนี่ย ประกอบกับวิญญาณประเภทไหนปฏิสนธิวิญญาณหรือประวัติวิญญาณทั้งสองส่วนนทะั้งปฏิสนธิวิญญาณทั้งประวติวิญญาณเนะี่ยว่ญญาอย่น้และก็ประกอบกันเองเนประกอบกันเองเป็นกิจเป็นหน้าที่อวินิพกขอวินิโพคข์ป จ, จุปถานางังมีการไม่แยกกับจิตเป็นผลเขาไม่แยกกันหรอกมีการไม่แยกกันมีการประกอบกัน มีการไม่แยกกันกันกบจิตเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตก็คือเป็นผลนั่นวิญญาณประทัดฐานางมีวิญญาณเป็นเหตุใกลน้นี่เป็นอย่างนั้นถ้าทรงคอเนะีตรงนี้นะวิญญาณวิปลาวกวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่นามคือเจสิกที่ประกอบกับวิญญาณนั้นด้วยหน้าทิงปัจจัย9้านาหน้าถึงปัจจัยเก้ า, น า, จจกาในเวลานั้นก็คือศาชาตชาตนะ เป็นสาชาตชาติตัวศาชาตชาติเนี่ยปัจจัยกับปัจจุบันนั้นจะต้องเกิดพร้อมกันใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูว่าตัวอวิปากวิญญาณเป็นปัจจัยช่วย ก, าากยยัการละแก่นาำเคลเจสิกที่ประกอบเนี่ยถ้ามองอย่างนี้นะแล้วก็จะเห็นอ๋อลืมลืมลืมขยายรูปไปนิดมเมื่อกี้ดูลักษณะปัจจุบันของรูปนิดหน่อยก่อนรูปปัณณลักษณะมีการสลายแปรปวนเป็นลักษณะ เวกิรณาลสังมีการไม่แยกกันเป็นกิจมีการแยกออกจากกันไม่ได้เออมีการแยกออกจากกันได้เป็นกิจแยกจากอะไรเช่นจักรุปราศาสตรกับโสตปราศาสตรแยกจากกันไหมแยกจากกันเป็นอัพยากระตาประยุทธปทฐานานมีคุปความเป็นอัพยากระตาธรรมไม่รู้อารมณ์เป็นอาการปรากฏก็คือเขาไม่รู้อารมณ์อยู่แล้วเนี่ย วิญญาณประทัดฐานนางก็มีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ในลักษณะเดียวกันก็ก็ตัววิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นเหตุใกล้ของปฏิสนธิรูปใช่ไหมประวัติวิญญาณส่วนกรร ม, มวิญญาณก็เป็นเหตุใกล้ของประวัติกรรมชรูปเป็นต้นนี่ยส่วนประวัติวิญญาณเป็นเหตุใกล้ของจิตเชรูปวิปากวิญญาณนะ ทรงค้อปัจจัยเป็นปัจจัยช่วยกาละแก่นนามคือเจอสิกที่ประกอบนั่นเล่ออเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวตกรถให้ไปดูที่เขาส่งคลาะเขาไว้ก็ส่งคล้อนี่หน้าที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกู่มือไม่เห็นเนะียการส่งคล้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะแยกแยกให้เห็นเกี่ยนเรื่องคําว่าได้ปัจจัยยังไงเนะนี่ยเดี๋ยวก็จะแยก ร, รออยายละเอียด พอพูดถึงในเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะตั้งแต่สังขารปัจจัยวิญญาณังแล้วก็วิญญาณปัจจัยานานมรูปังเป็นต้นเนี่ยนะเขบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของย้อนไปดูสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณที่ได้น า, น, านักนิการกรรมมาปัจจัยแล้วก็ปัจจัยอนิสัยปัจจัยนะถ้าส่วนของน า, น, านักนิกากรรมมาปัจจัยเนี่ยเกี่ยวกับลาย มาจากคำว่านานาคโนนานาคโนนี่เนี่ยขณะต่างกันชื่อว่านานาคณิกะนานาคเนปวัตตังกรมมังนานาคขคณิกากรรมมังทำที่เกิดในขณะต่างกันชื่อว่านานาคณิกกรรมก็แปลว่าอะไรอัตโนปัจุปปัจโยปันนะธรรมะปวัตติขณะโต วิสุงผูโตอตีเตนานาคเนสิทธาติเนี่ยนะนานคณิกาเนี่ยว่าเจตนาที่สำเร็จลงในขนาดต่างกันที่เป็นอดีตมองเห็นเนีว่าเจตนาที่สำเร็จต่างกันในอดีตซึ่งเป็นคนละขนากับขนาดที่บังเกิดขึ้นแห่งปัจจุบันธรรมของตนนะชื่อว่านานคณิ ก, ก, ากาหรือนานคณิกานานัคณิกาคำว่าต่างขนาดเนี่ยตัว เจตนากรรมน่ยต่างขณะเจตนากรรมในอดีตนั้นสําเร็จหรื อ, อยังโยมโม่สําเร็จแล้ ว, เ, ลวเป็นคนละขณะกับขณะที่บังเกิดขึ้นแห่งผลหรือปัจจุบันธรรมใช่ไหมคนละขนากันฉะนั้นไอเจตนาที่ดับลงไปแล้วและก็ผลิตวิบากทําให้ผลปรากฏเกิดขึ้ น, นอันนั้นนะเขาเรียกว่าอะไร นานักขณิกานีหรือนา น, านักขณิกกรรมเนี่ยนะส่วนอีกคำหนึงมาจากคาว่านา น, านักขณิกะกรรมมังหุตตวาอุปการโกธรรมโมวนา น, านักคณิกกรรมมัปจโยธรรมที่เป็นนา น, านักขณิกกรรมนั้นเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนฉะนั้นเมื่อเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนอะไรอุดหนุนปัจจุบันธรรมหรือปัจจยุบันนธรรมอุดหนุนผลของตน ลักษณะอย่างนั้นจึงเรียกว่านานัขณิกะกรรมมตปจัจจใช่งไหมเนี่ยนานคขณิกะกรมมะรมเมตจัใจดูหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ไปลักษณะของเจตนาที่จัดเป็นนานคขณิกะกรมมะรมเมตจัใจเนี่ยนะหมายถึงเจตนาที่เกิดต่างขณะคือดับไปแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นภายหลังเน้นพิรยศเจตนาดับไปแล้วในอดีตสาเร็จกิจไปแล้วในอดีต ทำให้ตาเออขออภยัยขอให้การทําให้เห็นการเห็นทางตาการได้ยินทางหูการได้กลิ่นทางจมูกการลิ้มรสทางลิ้นการได้สัมผัสทางกายการทําให้พวางเป็นไปหรือตาลัมพณะจิตเป็นไปในชีวิตปัจจุบันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผลอันนี้เขาเรียกปัจจุบันธรรมที่เป็นผลของนานาคณนียกากรรมปัจจัยที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมในชีวิตจริงๆที่เราประสบกันอยู่เนี้ย อันนี้เป็นผลเอ๊ะฟังอย่างนี้มันเข้าใจยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยใช่มั้ยอมเข้าใจยากวาฟังอย่างนี้เข้าใจยากวาฮะปัจจุบันเนี่ยมีตาเยอะใช่ั้ยเพราะว่ามีตาเนี่ยวิญญาณทางตามีไหมที่เขาเรียกจักขคูวิญญาณไอ้จักขคูวิญญาณทางตาที่เกิดขึ้นนี่เป็นผลของเป็นปัจจัยุบันธรรมเป็นผลของนานัคนิกน ก, กร ม, ม์รปัจจัยในด็ ฉนันผลที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยนาณาคณิกรกรรมเนี่ยมันดับไปหรือยังดับไปหรือยังตัวนาณาคณิกรกรรมวัติัจดับไปหรือยังนาณาคณิกกรรมวัติัจดับไปหรือยังดับไปแล้วในอดีตเนี่ยใช่ไหมจึงมีการเห็นในปัจจุบันปรากฏเกิดขึ้นใช่ไม่ใช่มันดับไปแล้วหรือตัวปฏิสนธิอ่ะทีนี้ประการต่อไปนะประการต่อไปก็บอกว่า ไอ้ตัวโลกียกุศลเจตนาสิบเจ็ดก็ดีอากุศลเจตนาสิบสองที่ดับไปแล้วก็ดีเนี่ยไอ้เจตนาในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกเจตนานั้นเป็นนานคณหนกกรรมะปัจจัยผลล่ะโลกียยิบากสามสิบสองเจตสิกสามสิบห้าเห็นไหมไอ้ตัวเจตสิกสาสิบห้าที่อยู่ในโลกียยิบากเนี่ยพ่วงมาด้วยไอ้ตัวนี้ที่เราเรียนวิญญาณวิญญาณเนี่ย วิญญาณสาสิบสองเนี่ยประวัติวิญญาณสาสิบสองแล้วก็ปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้าอตัวนี้เป็นนานาคณิกา ก, กรรมมาปัจจุบันเป็นผลของเจตนากรรมที่ดับไปแล้วในอดีตตัวงั้นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ที่มันได้นา น, า, นาคณิกากรรมมปราปัจจัยเดี๋ยวตามไปดูตามลําดับเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเจตนาที่ทําให้ผลเกิดขึ้นที่หลังไอเจตนาชนิดเนี้เจตนาที่ทําหน้าที่เนี่ยเขาเรียก พีชานิกานกิจพีชานิทานกิจยาเนี่ยคืออะไรคือทําหน้าที่พพพ เ, าเรราพาะ พ, พ, พืชพั น, พนธนุจจ์เขาเรียกทําหน้าที่เพาะพืชพันธุ์พีชานะก็คือพืชเนี่ยพีชานิทานกิจยากเขาเรียกทําหน้าที่เพาะพืชพันธุ์หรือเก็บรักษาการกระทําที่ทําไว้แล้วไม่ให้สูญหายไปไหน อย่างยกตัวอย่างเช่นนะเนียนพิระยุทธ์เนี่ยเคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในการเป็นต้นสมมุติไอตัวเนี่ยพีช้างนิทานิกิกจยานเนี่ยตัวนี้มีหน้าที่เก็บพืชพันธุ์หรือเพราะอ่ะตอนนั้นตอนนั้นกําลังทําเหมือนเพาะใช่ไหมพอเพาะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเก็บรักษาไหมเก็บรักษาการกระทําที่ทําไปแล้วไม่ให้ศูนบอกการกระทานี่เดี๋ยวเ พ, พืเดี๋ยวได้รับผล ที่หลังประเภทว่ปลูกพืชไว้แล้วเดี๋ยวรอกินมองเห็นอย่างเดนี้ไอ้คำว่าเรียบร้อยมาแล้วเนี่ยไอ้เก็บมาแล้วเอ อ, เ, อ, อเพราะปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผลก็เกิดฉะนั้นทำไมจึงต้องมีตาทำไมจึงต้องมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจทำไมจึงต้องมีปฏิสนธิเพราะเพราะพืชพันเพราะเชื้อไว้เรียบร้อยแล้ว ปฏิสนทิจึงเกิดขึ้นตามมาไอ้ตรงเนี้ยนะไอ้นี่ตัวตัวผลที่ตามมานี่เป็นเจตนาที่ทำไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้รับผลของการกระทำานะอย่างนี้ก็เรียกผลต่างขนาดหรือผลขนาดเดียวกันเหเน้นผลนี้ผลต่างขนาดหรือผลขนาดเดียวกันเน้นปลูกมะม่วงสมมตินะปลูกมะขามปลูกมะม่วงอะปลกูกพกกินวันนั้นหรือเปล่าผลอีกนานไห สมควรแก่เหตุใช่ไหมสมควรแก่เหตุที่ทําสมควรแก่เหตุปัจจัยเยอะแยะแต่พอผลออกมาแล้วไอ้ผลที่เกิดขึ้นมากับขนาดปลูกคนละขนาดกันไหมนั่นก็เรียกผลต่างกันน่ะกรรมที่ทําต่างกันน่ะเป็นแบบนั้นการกระทําต่างขนาดแต่ก็ให้ผลเกิดขึ้นได้ใช่ไหมนั่นแหละผลที่เกิดขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจยุบานธรรมของนานาคณนียรกรรมปัจจัยนี่เป็นอย่างนี้นะ ความจริงแล้วเจตนาในนานะขณิกกรรมเมื่อปัจจัยเนี่ยสืบเนื่องมาจากเจตนาในสาชาตกรรมเมตตาใจไหมสืบเนื่องกันมาไออย่างยกตัวอย่างเช่นโลภเกิดขึ้นเห่นไหมในขณะที่ความโลภเกิดขึ้นในขณะนั้นไอเจตนาเกิดไหมเกิดใช่ไหมจิตเกิดขึ้นไหมเกิดโลภะก็เกิดเจตสิกอื่นๆก็เกิดใช่ไหมเป็นสาชาตากรรมด้วย ว่ากรรมกับตัวปัจจยุบันของเขาคือธรรมที่เกิดร่วมกันกับเจตนาก็เกิดร่วมกับเขาไอ้ตัวนั้นเป็นสาชาตะเกิดพร้อมกันเนี่ยกรรมนี่เป็นสาชาตะเป็นสาชาตะใช่ไหมคือเกิดสาชาติกรมะปัจจัยอันนี้เป็นสาชาติกรมะปัจจัยส่วนจิตเอยเจตสิกที่เกิดร่วมเขาเรียกนามนามธรรมเหมือนามขันที่เกิดร่วมกับเจตนา มีอะไรบ้างอะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันที่เหลือแล้วก็วิญญาณขันนะ่ะเกิดร่วมกันกับเจตนาอยู่ฉะนั้นเจตนาตรงนั้นน่ะจึงเป็นตัวเจตนาเป็นสาชาตากรมปัจจัยแต่ธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมคือ น, นามาขันสี่ที่เกิดร่วมกันกันกบเขานั่นเป็นสาชาตากรมปัจจยุบันเป็นผลปะไอ้ตรงนั้นนะ่ะสืบเนื่องกันมาไหมล่ะ ฉะนั้นสาชาตกรรมะปัจจัยในทถาถามบอกว่าตรงนั้นนั่นแหละต่อมาก็แปลเปลี่ยนมาเป็นนานาคณนิกากรรมะปัจจัยใช่ไหมเพราะในขณะที่กาลังทําอยู่อันนั้นเป็นสาสชาตกรรมะปัจจัยใช่ไเป็นสาชาตกรรมาปัจจัยแต่การกระทํานั้นจะต้องผลิตวิบากไปด้วยคือจะให้วิบากสืบเนื่องไปในอนาคตอันนั้นเป็น ศาสชาตาก ร, รมปัจจุบันเมื่อมองว่าจะต้องมีผลสืบเนื่องไปในขณะต่อไปที่ต่างขณะกันเนะต่างพบมองเห็นนะตรงนี้นะที่นั่งอยู่เนี้ยมีคนทำท่างงอยู่ใ น, นเนี้ทีนี้วเจตนาชนิดที่ทำหน้าที่พีชานิทานกิจก็คือทำหน้าที่เพาะพืชพันธุ์แล้วเก็บรักษาพืชพันธุ์นั้นไม่ให้สูญหายไปไหนหรือการกระทำนั้นไม่ให้สูญ ความจริงและเจตนาในานานาคธนิกกรรมะปัจจัยนิสืบเนื่องมาจากสาชาตรกรรมปัจจัยดังที่ได้กล่าวกล่าวคือเจตนาเจตสิกนั้นทําหน้าที่อะไรสังวิธา น, านกิจจะใช่ไหมคือเกิดพร้อมกับปัจจยุปนธธรรมคือเมื่อดับลงก็ทําหน้าที่พีชานิธ า, านกิจจะคือเก็บรักษาการกระทําไปด้วยนี่เป็นไปในลักษณะอย่าง น, นี้นี่เป็นอย่างนี้นะ คือว่ามีอำนาจในการที่จะก่อให้เกิดผลในเวลาต่อไปทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติต่อๆไปอ่ะไอลักษณะอย่างนี้เขาเป็นสังวิธากิจจะมุ่งหมายเฉพาะเจตนาในกุศลเท่าไหร่กุศลจิตยี่สิบเอ็ดเจตนะิกล้วกุศลเจตนาสิบสองนะเจตนาสามสิบสามเท่านั้นนะไม่ได้มุ่งถึงเจตนาในจิตทั้งหมด ถ้าเจตนาในจิตทั้งหมดไ ม, ไม่ไม่ทำวิบากนะมองเห็นไหมเจตนาในทวีสิบเนี่ยมองเห็นใช่ไมนี่นี่การก่อให้เกิดผลของนานาคณ น, นียกากรรมปรจัจจัยนั้นเป็นไปทั้งในปฏิสนธิการและทั้งในประวัติการถ้าหากว่านา น, านาคณิกากรรมปัจจัยให้ผลในปฏิสนธิการคือให้อะไร ให้อะไรดีให้ปฏิสนธิจิตสิบเก้ามองเห็นไหมไอ้ตรงนั้นเป็นนานาคณิกากรรมปัจจัยให้ปัจจิบันให้ผลของตนคือให้ปฏิสนธิจิตสิบเก้าคือเบขาสันติสองมหาวิบากแปดรูปวิบากห้ารูปวิบากสี่ปรากฏเกิดขึ้นในปฏิสนธิการและในประวัติการก็คือให้ผลเป็นผวังเป็นต้นใช่ไหม แสดงว่าเขาให้ผลได้ทั้งสองการเนีทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการใช่ไหมทั้งนี้มองเห็นนี่ยังตอนนี้ยเริ่มจะเห็นครับเห็นเราเห็นลำไรลำไรใช่ไหมเขาเริ่มเห็นลำไรลำไรมองเห็นโอ้อปฏิสนธิมาแบบนี้นีเองวะงั้นถามว่าเราละปฏิสนธิด้วยละ่ะมหาวิบากแปดวดวงไดดวงหนึ่งแน่ๆใช่ไหมอย่างนี้ต้องไม่ใช้อิทธิฤทธิกะ ปฏิสนธิต้องมหาวิบากปฏิสนธิต้องเป็นไสยทุกะปฏิสนธิแน่ๆนึกอย่างงี้นะก็โฟมใจใช่ไหมแปลว่ารักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วทามองย้อนไปถึงเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาโดยเนะื้อไอโผล่ขึ้นมาแล้วมีเชวงคล้องค้องคอปุ๊บได้เนะี่ยไม่ธรรมาดากันนะโผล่กลางทะเลเนะี่ยแสดงว่าได้ได้ประการแรกเลยนะพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาก็เอาได้อีกประการหนึ่งแล้ว เอาได้ฟังทำเรียนพระธรรมออกได้อีกประการหนึ่งแล้วเราจะแทงตลอดอะไรได้บ้างเนี่ยเหม่อม น, นึกอย่างนี้แล้วใจถอดเลยว่าโมทกาศตะลึงพิรยยศเอ อ, อหวังแค่ั้นก็ <laughs> คิดอย่างนี้เลยยุ่งเลยนะบางคนก็บอกไอ้เรามันบุญน้อยเรามันบุญน้อยมัวแต่คิดบุญน้อยบุญน้อยเสียวเวลาหมดเลยตอนนี้ไอ้คนที่ไม่คิดแล้วจะน้อยจะมากทำเขาวะ ไอ้จะ น, น้อยจะมากทำก็ว่าไอ้กลุ่มพวกนี้น่าคิดกันนะนะไอ้ระเภทที่ไม่คิดมากอะมุ่งในการที่จะเจริญกุศลไปเรื่อยๆองใจไม่ถอดบางคนนะไปไม่นานวุ้ยถอดแล้วมาทำยากบางอะไรบางบนเลยย่าหมูย่ยบนก็บนยากถ้ามันยากอย่างเดียวแล้ว ไปเลยนะทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการก่อให้เกิดผลของนานะคณิกกรรมปัจจัยทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการผลที่ได้รับจากปฏิสนธิการนั้นได้รับเฉพาะออผลที่จะได้รับในจะได้รับในปฏิสนธิการนั้นจะได้รับเฉพาะในชาติไหนชาติหน้าใช่ไหมชาติหน้าถ้ากระทํ า, าทชาติเนี้ยจะต้องได้รับชาติหน้า ส in ung, und ่วนผลที Clone, ่รับในประวัติการนั้นร so ับได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้านี่ประวัติการเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ประวัติการทั้งในชาตินี้ด้วยและชาติหน้าด้วยพอพูดอย่างนี้ก็ชื่นใจนะแต่พอย้อนมาแล้วมีบุญอะไรบ้างว่าที่จะรับทั้งในประวัติการอปฏิสนธิการแล้วัติการชาติหน้าและประวัติการในชาตินี้พอนึกเนี่ยใจไม่ค่อยดีนั่นกันก็ว่าไง น า, น, านักณิกากรรมะปัจจัยเนี่ยประกอบไปด้วยเท่าไหร่ศึกษาเรื่องกรรมมาแล้วนประกอบได้เท่าไหร่ถึงจะสา ม, มารถให้ผลได้หนึ่งการละกาละกาละอย่าลืมนะสองคติสามอุปทิสี่ประโยชคใช่ไหมไอนานักณิก า, า, า, า, ากรรมปัจจัยเนี่ยต้องประกอบได้หลกักสามบ ร, รมะศรีประการนะ มันถึงจะมีผลอะไรบางอ ก, กาละคติอุปัติแล้วก็ประโยคะกาลคติอุปัติระโยคะท่องเอาไว้บอกเดี๋ยวท่องแกตบเนื้อกกาละคติอุปัติระโยคะเนี่ยกาละประการะนั่นเป็นการสสมบัติหรือการลวิบัติใช่ไหม การละสมบัติก็ได้แก่ในยุคสมัยที่ยุคพระพุทธศาสนารุ่งเรืองในปัจจุบันเท่ารุ่งเรืองไหมเนี่ยโอ้โหชักยุ่งกลยนะปัจจุบันเนี่ยนะรุ่งเรืองแปลว่าพระสัตธรรมนะรุ่งเรืองนะไม่มีธรรมเะเจือปนนะพระสัตธรรมจริงๆรุ่งเรืองนะเปิดไปสถานีไหนก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกจริงๆเลยนะ ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง <c oughs> ผู้ปกครองประเทศเป็นสมมาธิฏฐินั่นแหละการนั่นเขาเรียกการลสมบัติยุคนั้นน่ะเขาเรียกว่าการลการลสมบัติแล้วแต่ถ้าหากพระพุทธศาสนาสูญยุ่ยงแล้วนะตอนนี้นะหรือว่าคนนํเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วโอ้โหยุ่งแล้วในการนั้นน่ะ ต่อให้บุญจะส่งผลก็ส่งปริมาณที่มันน่ากลัวกันนะเนี้ยนะคติอ่ะคืออะไรคติไหนบ้างสุขคติภูมิเนี่ยมีไหนบ้างมีภูมิไหนบ้างที่กรรมก็จะส่งผลได้สะดวกมนุษย์นี่สะดวกนะเทวดาพรหมนี่สะดวกนะคนีเขาเรียกว่าคติสมบัติถ้าหากว่า นรกเปรอสุรากายสาตัาาตว์เดรัจฉานอย่างนั้นเขาเรียกคติวิบัติเนี่ยคติวิบัติถ้าอุปเทียรอวัยวะร่างกายอยู่ไหมอวัยวะร่างกายเอยมีส่วนด้วยหรืออวัยวะร่างกายเนี่ยใช่ไหมตาบอดหูหนวกเป็นต้นเนี่ยเอยม๊มันมันสมมุติถ้าร่างกายสมบูรณ์อวัยวะบริบูรณ์สมบูรณ์เบ็ดเสร็จ เ, เนี่ยมีมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ให้กรรมส่งผลได้สะดวกเลย กรรมส่งผลได้สะดวกไหมกรรมนั้นส่งผลได้สะดวกนะอย่าลืมนะถ้าสมมติตาก็ดีหูก็ดีจมูกปากลิ้นกายใช่ไหมแม้จิตใ จ, จก็ปลอดโปร่งสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเป็นอย่างดีเนะี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยงามด้วยถึงแต่งามด้ว ย, างงาวยโอ้โหเงี้ยนะส่งผลเอาส่งผลเอาบางคนนะไปอยู่ในป่าก็ยังเก็บขึ้นมาเละ ขาดอยู่ในป่าก็ยังเก็บขึ้นมาเลยก็เรียกว่าอะไรนะอุปธิอุปธิดีจริงๆใช่หไหมคนบางคนเอาเงี้ยนะถ้าให้งามงามด้วยสุขภาพดีด้วยอะไรสมส่วนหมดเนี้ยนะพวกเนี้ยโหยเจตกรรมดีส่งผลดีจังไงุเนนะแต่ยัง ไ, งไม่พอนะถ้าดีอย่างนั้นแล้วถามว่าถ้ากลายเป็นคนชั่ว <laughs> เสียเลย ยช่ไหมดีหมดเลยแต่เป็นโจรเขาว่าไม่ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะประโยค้าวิบัตเสียหายเลยเดีเยนี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหไปเกิดอยู่อย่างดีเลยนะเกิดเป็นตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่เขาวนะ่าแต่แขนขาขาดแล้วจะเป็นไงแล้วแถมตาบอดก็อีกนะตาก็บอด โหหนวกเขาอีกอเอาตัวนี้เขาอีกโอ้โหตัวนี้หมดโอกาสเลยเรื่องเรื่องที่จะไว้รับทรัพย์ใช่ไหม ท, ท, ทั้งๆที่มันน่าจะได้อยู่แล้วมันจอดจอ่จออยู่แล้วว่านั้นถต่มันวิบัติทั้งอุปธิเสียเสียอีกนี่นเป็นอย่างนี้าบางคนเขาไม่เอาเป็นใช่ไหมเก็บอกจะสืบทอดตระสื บ, ส, บสืบทอดตระกูลสืบทอดเชือ้อพระวงศ์เนะสียแหละแค่อย่างงี้ก็เสีย ขาดทองขาเลยสมมติเป็นไงไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าอย่างเนี้ยนี่ก็เรื่ออุปทิศเช่นั้นกรรมจะส่งผลเนี่ยมันต้องมีประกอบด้วยหลายอย่างใช่ไม่มมองเห็นอย่างเดีเนี้ยที่สําคัญที่สุดคือประโยคะประโยคะการประกอบเนี่ยประโยชค่าสมบัติเนี่ยความเพียรที่ถูกประกอบกรรมที่ถูก ประกอบอะไรประกอบกายกรรมประกอบวจีกรรมประกอบมโนกรรมที่เป็นสุจริตอย น, นี้ประโยค่าสมบัติเนี่ยถ้าเพี้ยนผิดก็คือกายกรรมวจี ก, กรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตทั้งหลายอันนี้ก็เป็นประโยค่าวิบัติไปมองเห็นอย่างเนี้ไอ้ตรงนี้เจตนาพวกเนี้มันจะส่งผลได้หรือไม่ได้เขาต้องประกอบในลักษณะอย่างนี้ถามบอกว่าถ้าบุคคลใดมีสัมปติ4ี่ประการครบบริบูรณ์เนี่ย น า, น, า, น, านักขณิกากรร ม, มฝ่ายกุศลก็มีโอกาสส่งผลที่ดีมีการได้รับอารมณ์การได้ยินการได้กลิ่นเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าคติวิบัติของความวิบัติทั้ง4ี่ประการนะกาละคติอุปทิแล้วก็ไปโยคานี่วิบัติตัางเนี้ยอากุศลกรรมก็ตามส่งผลได้สะดวกมากอย่างว่าในปัจจุบันนี้เนะี่ยถ้าในปัจจุบันนีนะถ้าเราบอกว่าเอาละ เราก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะเราเร า, เราก็เป็นมนุษย์เนี้ยเราก็สมบูรณ์ดีอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วว่างั้นอย่า ก, กันนั้นเลยว่างั้นเราอย่าทามาหาิอย่างนี้จนทันทีเลยนะถ้าง่ายนิดเดียวก็คือว่าอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยแต่เราไปโยคาวิบัติคือหลับตาเท่นั้ น, นเน่ยเนียนเบี้ยยศหลับตาหลับตาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยอย่างงี้เขาไปโยคะผิดประกอบผิด แทนที่จะลืมตามันตึงจะดูใช่ไหมอุ้ยฟังให้ก็ไม่เข้าใจเลยว่างั้นเเนี่ยฟังเขาไม่ค่อยเข้าใจไอ้ที่ตอนฟังจริงๆไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แล้วบอกไม่ค่อยเข้าใจไอ้นี่เขาเรียกไปประกอบผิดใช่ไหมมันประกอบผิดไงเขาเรียกไปโยคะวิบัติมันไม่เข้าใจหรอกทั้งนี้มันเหมือนว่าเวลาจะนั่นปุ๊บอ้เมย์ก็หยิบเปิ ด, ปดอ่านอยู่นั่นแหละ เธอก็ถามโอ้โหสอนไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เงินเสร็จอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมเนี่ยก็ไ ป, ปโยคาวิบัติอันนี้เขาเรียกไปโยคาวิบัติถ้าลองไปโยคาสมบัติดีใช่ไหมเดี๋ยวกุศลกรรมก็ส่งผลปัญญาก็เกิดไอ้ที่ปัญญาเกิดเนะี่ยกุศลกรรมส่งผลนะเพราะเราประกอบถูกอย่งช่วงนี้เขาฟังทำกันใช่ไหมเขาเขาศึกษาว่าทำกันเนี่ยเราก็ไปโยคาให้มันถูกเลยคนเรามันอยู่ตรงนี้รู้ปะ เราจะไปคิดว่าอุ้ยคนนั้นฉลาดมากคนนี้ฉลาดน้อยคนนั้นไม่จริงอ่ะเขาไปโยคาถูกอที่เขานิ่งๆฟังเนอะไม่ใช่แลไรเขานิ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเขาทําความเพียรที่ถูกเขาบางคนมาเปิดธรรมะก็ะเริ่มคุยนี่อันนี้เจ็จเลยนี่ก็เราไปโยคะวิบัติมองเห็นอย่างเดินเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆให้สังเกตแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่ใครหรอกก็ <น S 1> ไม่ไม่ใช่อะไรนะ เคยถามโยมท่านถามโยมอ่าโยมธรรมะที่เปิดเนี่ยโยมฟังเนี่ยรู้เรื่องไหมแกบก่ารู้รู้ได้ยังไงเอาก็โยมตามฟังทุกคําเลยแล้วรู้เนี่ยว่าคําไหนเนี่ยท่านพูดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวท่านก็ขยายเดี๋ยวท่านก็ขยายเราก็ตามตามไปฟังที่ขยายด้ยวยสิแล้วก็อย่าไปทิ้งอันเก่าที่ท่านพูดไว้สิเขาบอกงั้นแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจไปอวิธีการฟังเข า, าเออโยมนี่ประโยค่าถูก นี่เขาเรียกประโย์ค้าสมบัติใช้ได้ก็งั้นเออมีการฟังยังยังยังเพี้ยนถูกใช่ไหมพอบางคนเปิดเทปเปิกเริ่มแล้วมีงานขึ้นมาตอนนั้นขึ้นมาซะอีกแล้วแต่บอกก็ไม่เข้าใจอันนี้ประโย์ค้าวิบัตินะแล้วกุศลจะส่งผลยังไงใช่ไหมไม่เคยมีสูตรไหนที่คนฟังพระพุทธเจ้าฟังไปวิ่งไปนีห่หรอก ไม่มีเขาเขาหยุดฟังกันงั้นในที่ที่บรุนเนี่ยเขาฟังตั้งใจฟังแล้วก็เอาไปตรึกกันงั้นนะไปตรึกพิจารณาแล้วแต่เบรุนทั้งนั้นนะมองเห็นใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจตัวเองไอ้คาว่าศิษย์มีอาจารย์เนี่ยมันมั่นใจตัวเองยังไงเนี่ยเ้าเรียกว่าศิษย์มีครูศิษย์มีอาจารย์อโอ้โหมีพระพุทธเจ้าก็บอก ง, งั้นโอ้โหอย่างนี้เราไม่อนาถาแล้วอกเรามีที่พึ่งแล้ว นี่มันใจตโดยยังถ้าคนไม่มีที่พึ่งโง่เจ็บปวดกันนะนะมองไปที่ไหนก็ว้าวเอไม่มีที่พึ่งนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ย้อนไปดูนี่นี่เกี่ยวกับในเรื่องของนานะคณะนี้การกรรมปัจจัยก็ให้ผลเกิดขึ้นจริงๆริ่รยังไหมตรงนี้ต้องการชี้ให้เห็นพอดีจะพูดในเรื่องการสงเคราะห์ปัจจัยยังไงจะพูดถึงในเรื่องการสงเคราะห์ปัจจัยแล้วต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของ วิญญาณปัจจญานามารูปังเนื้อที่พูดไปเนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามลนรูปแล้วก็พูดถึงในเรื่องของวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณ19อุเบกขาสองสันติรนเออขอไปอุเบกขาสันติรณจิตสองมหาวิบาก8แล้วก็อะไรโรวิบากฮะโรบิบากสี่นี่คือปฏิสนธิเจ็ดนืประวัติวิปากับวิญญาณอีกสาสองก็คือโลกียวิบาก สาสิบสองปฏิสนที่น้ำแหละเท่าไหร่ดีเจติสสิบห้าที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณสิบเกนี่เขาเรียกว่าปฏิสนที่น้ำใช่ไหมเออทาความเข้าใจหน่อยนะนามคืออะไรล่ะนามังนามังนามนามังนามะตัวนี้หมายถึงจิตหรือเจติกหมายเอาเจติกสสิบห้าที่ประกอบกับปฏิสนธิจิตสิบเก้าเท่านั้นนะเนีเป็นนามนะ คือเจสิ่งเรเรียกว่านา้ำที่จริงอ่ะจิตเป็นน้ำด้วยไหมแต่อยู่ในฐานะเป็นวิญญาณเนอะเป็นวิญญาณเป็นในบทนี้เรากําลังศึกษาเรื่องวิญญาณปัจจยานา้ำนามารูปังใช่ไหมเขาเรียกวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นน้ำเลยลูกใช่ไหมพูดกันบ่อยจังน้ำรูปน้ำรูปน้ำรูปเดี๋ยวมาดูน้ำรูปภาษาปฏิจจสมุปาที่เข้าใจว่าเป็นอย่างงี้น้ำนะประมวลน้ำคือความรู้สึกกันอยู่นั่นแหละ จริงจงถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกนะใช่ไหมนามบองอนุนามคือความรู้สึกที่บางครั้งไม่รู้สึกเขาก็เป็นนามแต่เราไม่รู้สึกนะปฏิสนธินามประวัตินามก็คือเจสิกสามสิบห้าที่ประกอบกับโลกยิปากวิญญาณสามสิบสองปฏิสนันธิรูปกรรมชรูปที่เกิดพร้อมกันกันกบปฏิสนันธิวิญญาณประวัติรูปก็คือจิตตะชรูปที่เกิดจากประวัติวิปากวิญญาณเว้นทวิ ปัญจวิญญาณไดจิตสิบอรูปวิบากสีแล้วก็ปาวะเจตกรรมชรูปที่เกิดจากกรรมวิญญาณยี่สิบห้าพูดตรงนี้เหมือนเร็วไอ้ตรงนี้เราเราว่าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะย้อนมาดูนิดหนึ่งปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าลักษณะของนามก็ลักษณะของรูปก็ได้กล่าวไปแล้วมากล่าวในเรื่องของการทรงข้อปัจจัยใช่ไหมในเรื่องการทรงข้อปัจจัย ก็วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยอุกาลเกณนามคือเจตสิกที่ประกอบกับวิปากวิญญาณนั้นนะด้วยอำนาจหนึ่งปัจจัยเท่าไหร่ปัจจัยเก้าปัจจัยในเก้าปัจจัยคือสาชาตาปัจจัยอัญญามัญญาชาชาตานิสยวิปากะอาหารรปจัยอินทริยปัจจัยสัมยุตตปัจจัยอัตถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยอะไรเนี่ยก็ว่าอย่างนี้เก้าปัจจัยดูเหมือนง่ายไหม ทีนี้ถ้าไปตามไปดูล่ะไอวิปากวิญญาณเนี่ยมันได้แก่อะไรอ่ะวิปากวิญญาณเนี่ยตัววิบากจิตใช่ไหมตัววิปากวิญญาณหรือตัววิบากจิตเนี่ยโลยี่บากมีทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบสองใช่ไหมโลยี่บากสามสองไอ้เยอะถูกกวิปากจิตสิบห้ามหาวิบากแปดรูปว <cases ota k ori> ิบากห้าร <ians> ูปวิบากสี่ใช่ไหมนี่โลยี่บากสามสิบสองนะในโลกียาวิบากสามสิบสองนั้น ไอ้ตัววิปะวิบากรจิตเนี่ยตัววิบากรจิตนั้นเป็นตุกเป็นวิปากับปจัจจัยไอ้เจตสิกที่ประกอบไอ้เจตสิกที่ประกอบอ่ะก็เป็นวิปากับปัจจับันถ้ามองอย่างนี้มันไปได้วิปากับปัจจัยด้วยเห็นไหมเนี่ยถ้ามองมองในแง่ของโอ้เข้าเป็นวิบากรีไหมแต่ถ้าหากเนี้ยวิธีคิดเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปัจจัยใหญ่ก่อนเนี่ยเลือกเอาสาสชาติปัจจัยเป็นตัวตั้งให้สังเกตไหม แต่ถ้าจะคิดกันตามความเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาเอาตั้งตัวไหนก่อนรู้ไหม mm hmm. เขาตั้งตัวปัจจัยที่เป็นชาติเล็กขึ้นมาก่อนถ้าดูชาติเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างอะเหตุปัจจัยสหาชาตาที่ปฏิปัจจัยพระเหุที่กังกรมมะปัจสาชาตาจจตกาาตาจจามารมมะปัจจัยาานามาหะละปัจจัยแล้วก็สาชาตินเทียปัจจัยแล้วก็มัคคะปัจจัย ภาษาเขาบอกเฮที่กังหาอินชามวมักเขาท่องกันไว้อย่างเงี้ยอันนั้นคือปัจจัยที่เป็นชาติเล็กทีนี้มันมาไม่หมดใช่ไหมในปัจจัยที่เป็นสาชาติตชาติเล็กเนี่ยมาไม่หมดมาอะไรบา้างเออเชื่เอเทาที่สังเกตอาหาร <c oughs> อาหารตรงนั้นเขาเรียกนา ม, มาอาหาระปัจจัยนี่นะแล้วก็อิ น, อนทรียปัจจัยนั้นมาในแง่ของสาสตชาติอินทรียปัจจัยแล้วมีอะไรอีก เนี่ยเล็กมีสองปัจจัยเนี่ยเข้าใจป่าเดี๋เออเดี๋ยวจะบอกว่าเขาเข้าใจกันยังไงทีนี้เดี๋ยวทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าในสวนการทําความเข้าใจาว่าถ้าหากวิปากับวิญญาณเนี่ยนะวิปากับวิญญาณสาสิบสองเป็นปัจจัยช่วยบการละเกลนามคือเจตสิกที่ประกอบนั้นเนี่ยไอตัววิปากับปัจจัยนี่เป็นสหาชาตปัจจัย ก็หมายความว่าตัวตัววิบากเนี่ยเกิดพร้อมกันกับเจตสิกคือนามคือเจตสิกขันสามน่ะนะเจตสิกสามสิบห้าที่ประกอบกันกับวิปากจิตเนี่ยเพราะนั้นเขาเกิดพร้อมกันเนี่ยจึงเป็นสาชาติปัจจัยและเจตสิกก็เป็นสาชาตปัจจัยุบันไปได้สหชาตินิสยปัจจัยด้วยเห็นไหมปัจจัยในลำดับที่สามเนี่ยนี่เราจะเก็บที่ว่าปัจจัยที่เป็นชาติใหญ่ เห็นสาชาตานิสยะคือตัวนิสยะปัจจัยก็ได้เกิดพร้อมกันด้วยเป็นที่อาศัยด้วยใช่ถามว่านามคือเจตสิกสาสิบห้าน่ะต้องอาศัยต้องอาศัยวิบากจิตไหมต้องอาศัยโลยิบากไหมต้องอาศัยใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็อาศัยด้วยเนี่ยเป็นสาชาตานิสยะปัจจัยแล้วก็เป็นสหาชาติ คือเกิดพร้อมกันด้วยแล้วยังมีอยู่ด้วยก็แปลว่าในในในจิตดวงนั้นเนะี่ยในจิตดวงนั้นเนะ่ยถ้าหากเราวงออกมาเนี่ยนะอย่างเช่นวาเนี่ยถ้าขี่ดอกมาแล้วก็จะเห็นนะใช่ไหมไอ้ตัวสหาชาตปัจจัยนต่างๆไอ้อตัวจิตเนี่ยตัววิปาตัววิบากเนี่ยนะตัวตัวจิตเนี่ยตัวตัวโลยิายบากเนี่ยเป็นจิตใช่ไหมไอ้เจตสิกขันสามอยู่ในนี้เจตสิกขันสามอยู่ในนี้ ถ้าพูดถึงก็คือเวทนาสัญญาสังขารไอ้ตัววิญญาณเห็นไหมอย่างนี้จะเห็นชัดเลยเนะี่ยไอ้ตัววิญญาณขันเป็นสหาชาตปัจจัยเจตสิกขันสามที่เกิดร่วมในจิตดวงเดียวกันนั้นเป็นสหาชาติปัจจยุบันไอ้ตัววิปาไอ้ตัววิปากวิญญาณคือวิบากนั้นเป็นสหาชาติตนิสยปัจจัย ไอ้ตัวเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นสาชาตานิสยปัจจุบันเอกวอกขันสามเนี่ยนะเจตสิกสามหที่อยู่ในจิตนั่นนะแล้วก็ตัววิปากจิตนั้นเป็นสาชาตะอัถิปัจจัยที่มาสาชาตะเทียก็ยังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปเนะี่ยจึงจะเป็นปัจจัยกับเจตสิกสาม ขันสามหรือว่าเจดศึกสามห้านั้นนะที่เกิดพร้อมกัน น, ะนี่เป็นสาชาตัดทีปัจจุบันแล้วก็เป็นเจตตัววิบากรีตนั้นเป็นสาชาต่อวิคตะคือยังไม่ปราศจากเกิดพร้อมกันด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยจึงจะเป็นปัจจัยกับเจดสิกสามห้าคือสาชาตะอวิคตาปัจจุบันไงนะก็คือเหตุกับผลเขาเกิดในลักษณะอย่างนี้ถามว่าเป็นอัญญามัญญ า, ญญาปัจจัยไหมเป็น คำว่าอัญญามัญญาปัจจัยก็แปลว่าซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้ตัวเห็นไหมตัววิญญาณเนี่ยตัววิญญาณนักขันเนี่ยตัววิญญาณนักขันตัววิบากจิตเนี่ยกับตัวเจตสิกนามเจตสิกขันสามอะเวทนาสัญญาและสังขารเนี่ยนะที่อยู่ในในใ น, ในวิบากจิตนั้นะถามว่าต้องอาศัยกันและกั น, นต้องซึ่งกันและกันไหมบอกใช่เขาบอกเหมือนไม้สามขา ไม้สามขาเนี่ยเอาไปค้ำยันกันอยู่เนี่ยถอดขาใดขาหนึ่งล้มเลยเนะอย่างนอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนอย่างนั้นเละน่ยจึงเป็นอัญญามัญญปะปัจจัยและตัวเจตสิกก็เป็นอัญญามัญญปะปัจจิุบันไปเอาแล้วโรลยิบากเขาตรงตัวอยู่แล้วเป็นวิปากับปัจจัยใช่ไหมแล้วก็นั่นก็เป็นวิปากปัจจิุบันถามว่าเป็นอาหารไหมเป็นวิญญาณอาหารไงใช่ไหมจิตเป็นวิญญาณอาหารไหม เป็นใช่ไหมจิตเป็นวิญญาณอาหารจําอาหารสี่ได้ไหมเนี่ยจาได้ไหมผัสสอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารนี่ชัดเลยใช่ไหมจิตเป็นวิญญาณอาหารนี่ปลา ก, กจิตเนบใช่ไหมใช่เลยนั่นแหละเป็นวิญญาณอาหารตเจสิกก็เป็นอาหารและปัจจุบันไปเป็นอินทรีย์ไหมล่ะจิตเป็นอินทรีย์อะไรมันอินทรีย์จาได้อง เป็นมนินรียีฉะนั้นจึงได้สาชาตินทรียาปัจจัยเกิดพร้อมกันด้วยแล้วก็เจสิกก็เป็นสาชาตินทรียาปัจจยุบันมองเห็นใช่ไหมแล้วเป็นอะไรอีกอะสัมปยุทธชัดเจนอยู่แล้วจิตกดดับเจตสิกเป็นสัมปยุทธปัจจัยสัมปยุทธปัจจยบันจบแล้วเห็นไหมได้เก้าปัาจจัยจริงด้ว ย, ยได้ได้ในแง่ของสหชาตานิสยัยใช่ใช่ใช่ ได้แต่ในที่นี้ก็ตั้งบทวิญญาณปัจจัยได้ในทางนั้นก็คือทำสองหลงต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดอยู่บางอย่างบางอย่างใช่บางอย่างไม่ใช่แต่ถ้าเป็นนามต่อนามนะใช่อันนี้ในหัวข้อบ่งบอกอยู่แล้วเนี่ย ก, ก, ก็ในลักษณะที่จะดูว่าอะไรขึ้นมาเป็นปัจจัย อ, อ๋ออย่าไปคิดอย่างปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าในบทนี้มันอะไรอ่ะ อันนี้ถึงจะถึงจะยังไงก็แล้วแต่นะ อ, อ๋อเดี๋ยวก็เข้าใจเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามใช่ไหมอันในข้อนี้นะเขาเรียกว่าวิญญาณปัจจายานามมังก์ก็วิญญาณเป็นปั จ, จัยเกิดนาม ใ, ในลักษณะบอกว่าถ้าได้ในแง่ของสหาชาตปัจจัยใช่ไหมถามว่าเป็นสหาชาตปัจจัยนิ่มในข้อไหน ในข้อวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามเมื่อบอกวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามก็คือว่าอตัววิญญาณเป็นสาชาตปัจจัยตัวนามจึงเป็นสาชาตปจัจจยุบันใช่ไหมแต่ในฐานะที่ว่าคําว่าที่อาศัยเนี่ยใช่ไหมถ้าถามว่ามันอย่างนี้คําว่าแม่เนี่ยที่จะเรียกได้แปลว่าต้องมีลูกถ้าไม่อศัยลูก จะเรียกแม่ได้ไหมถามว่าแล้วแม่อาศัยลูกไหมล่ะก็อาศัยที่ที่ได้ได้คาว่าแม่งไงใช่ไหมใช่นั่นแหละใช่ไหมเห็นไหมไออีอปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าหนึ่งเขาอยู่ในฐานะเป็นปัจจันนยใช่ไหมก็ต้องอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยไอนี้อยู่ในฐานะเป็นปัจจยุบันก็ต้องอยู่ในฐานะเป็นปัจจยุบันแต่แต่ถ้าถามบอกว่า ซึ่งกันรละกันไหมใช่สิถ้าขาดกันแล้วจะเรียกว่าแม่ได้ไหมเอาเขาว่าแม่แล้วลูกไม่ได้เลยเอา้ า, า, อาก็เราต้องก็ต้องไปถามดูที่ระหว่างลูกกับแม่เนี่ยใครสําคัญกว่ากันเนาะท่านทัพ<า>ลูกกับแม่เนี่ยใครสําคัญเอาพระกับโยมเนี่ยใครสําคัญใช่ไห ม, มก็มมนั้นในยะของการทําความเข้าใจพระธรรมเนี่ยนะเหตุผลมันจะตามมากับการตรุก และการเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องอีทีนี้เราบางทีเนี่ยเราจะไปจัดแจงดีแตเนี้ยบางทีเราจะไปจัดแจงว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ภาษาปัจจัยนะไม่ใช่ถ้าทีนี้ถ้าเน้นลงไปตรงที่บอกว่าอันนี้มูตรติกิพูดถึงวิปลากวิญญาณนะถ้าเน้นลงไปว่าปฏิส่วนที่วิญญาณเป็นปัจจัยช่วยการะแก่ให้ใหทายโยถูกรูปเห็นอย่างแต่เนี้ย ปฏิสนันธิวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยประกาะแกป่ปฏิสนันธิเออแก่หัตถยะตถูรูปแก่รูปประเภทไหนฮะดูที่รูปประเภทไหนรูปประเภทไหนหัตถยะเฉยเฉยใช่ชไหมมีคําว่าปฏิสนันธิด้วยไหมไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วจะต้องใช้คําว่า ปฏิสนธิหาทะยอวธตรูปด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมก็หาทะยอวธุรูปที่เกิดในปฏิสนธิการนั่นแหละนะตรงเนี้ยนะปฏิสนธิที่เกิดในในปฏิสนธิการเพราะตอนนั้นนะ่ะปฏิสนธิหาทยอวธุูก็ต้องทำหน้าที่เกิดเงนเนใช่มถ้า ท, ทำไหมก็ตรงนี้ยังไม่ได้ถึงตรงนั้นแต่หมายถึงชี้เห็นก่อนว่าไอ้เกี่ยวกับในเรื่องนี้คือนามเนี่ยนะ นามเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ในข้อที่บอกว่าวิญญาณเป็นปจัจจัยเกิดนามแต่ต่อมาก็คือวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดรูปนะนี่นั่นแหละให้เกิดรู ป, นะ ก, รปก็ตัวปฏิสันติหาทยาต์นั่นแหละตัวนั้นแหละเพราะว่ารูปถ้าเกิดในปฏิสนธิกาเราควรจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกปฏิสันติกามะชรูปใช่ไหมแต่ถ้าหาทยะยาตุถูกก็ต้องเป็นปฏิสันติหาทะวาตุนั่นแหละ คือต้องการชี้เห็นว่าเนี่ยตัวหัตทยวตถุที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยต้องเป็นปฏิสนธิหาเทยวัตถุนีอุปาทขนาดของปฏิสนธินั้ น, นในขณะนั้นนะอะต่อเมื่อสักครู่ที่บอกว่าปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่ปฏิสนธิหัตทยวตถุใช่ไหมได้อา น, นาจปัจจัยก้าแต่ถ้าปฏิสนธิวิญญาณ เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิกรรมมชรูปที่นอกจากเว้นหัตยทะยถรูปออกไปได้มน่าปัจจัย8ใช่ไหมก็ไปดูจากตรงนี้ที่บอกว่าในตัวปฏิสนธิวิญญาณ15เนี่ยปฏิสนธิวิญญาณ15คืออุเบคาสันเตรณาจิตสองมหาอิบาก8รูป รูปาวาจะเราวิบากหรวมสิบห้าดวงนี้ในขณะทํารรหน้าที่ปฏิสนธิใช่ไหมในอุปาทัศขณะของปฏิสนธินั้ น, นตัวปฏิสนธิวิญญาณ น, นั้นเขาเป็นปัจจัยช่วยบการะแก่ น, น้ำนี่พูดไปแล้วทีนี้เขามาพูดถึงในแง่ของว่าและปฏิสนธิวิญญาณสิบห้าเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยบการะแก่ปฏิสนธิหัตถเยวตถุใช่ไหมได้อํานาจปัจจัยสรงเคราะ์เท่าไหร่ใช่ไหม ถ้าถามว่าได้หน้าปัจจัยสมเคราะห์เท่าไรบอกได้าน้าปัจจัยสมเคราะห์9ใน9นั้นได้ปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติใหญ่สี่สหชาตชาติกลางสแล้วก็สหชาติชาติเล็กอีกสองปัจจัยรวมเป็น9ปัจจัยเนี่ยนะวิธีที่เขาคิดตามลําดับของชาติเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เขาดูปัจจัยเล็กก่อนจริงๆแล้วก็ดูปัจจัยเล็กเช่นเขาดูตัวไหน บอกเอเนี่ยเอเป็นเหตุตัปัจจัยได้ไหมเป็นอธิปฏิปัจจัยได้ไหมอย่างเงี้ยไหมเหุที่กลางหายอินชามักเนี่ยเขาก็จะมาคิดดูแล้วว่าเอ๊ะเป็นเหตุตัปัจจัยได้ไหมเป็นอธิปฏิปัาาปจจัยได้ไหมเป็นศาสชาตกรรมะปัจจัยได้ไหมเป็นนามมหาละปัจจัยได้ไหมเห็นไหมเป็นอินทรีย์ได้ไหมเป็นมักได้ไหมเนี่ยก็มาดูไล่ไปตามดับไม่ใช่เหตุปฏิสนธิวิญญาณใช่เหตุไหมไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ธิบดีใช่ไหมฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เป็นกรรมหรือเปล่าเป็น ส, สหาชาตาก ร, รมมากนณานคกนิก ร, ร ม, มาได้ใช่เจตนาไหมเห็นไหมไม่ใ ช, ใช่ก็ตัดทิ้งไปเรื่อย ๆ, ๆเห็นไหมเนี่ยเมื่อไม่ใช่เจตนาต่อมาก็มาดูว่าเอ๊ะใช่อาหารไหมอาหารมีสีนี่ผัสสะ เวทผัสสะเจตนาสัญญาเออขอไปผัสสะเจตนาวิญญาณใช่ไหมใช่ไหมอาหารสามอ่ะนามาหานุ่ง ร, รมสามอ่ะผัสสะผัสสะเจตสิกอ่ะชายเจตนานีชายแล้วก็วิญญาณก็ใชายเอาอันนี้ได้นี่ได้ปฏิส่วนที่วิญญาณได้นามาหานะปัจจัยนี่เราหมายตาไว้แล้วได้หนึ่งแล้วปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติเล็กเอาแล้วปัจจัย อีกอย่างแล้วบอกอินทรีย์ได้ไหมได้ปะใช่ไหมได้เป็นก็ได้เป็นสาชาดินเทียปัจจัยไงเพราะจิตเป็นมนินทรีย์อยู่แล้ว น, นี่ได้แล้วได้สองใช่ไหมมักไม่ได้สรุปแล้วก็คือปัจจัยที่เป็นสาหาชาติชาติเล็กนะ่ะมีหปัจจัยเออมีมีมีเจปัใจจัยใช่ไหมได้สองตัดทิ้งไปห้าเราก็ต้องคิดแต่ปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติเพราะอะไรเพราะปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันนี่ อย่างนี้ชาติอื่นเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องแล้วเอาไอ้สิปัจจัยนั่นแหละมาคิดในสิหปัจจัยนั้นแยกย่อยออกมาว่าปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติเล็กมีเจ็ดมีเจ็ดได้มาสองทิ้งไปห้าก็ไปดูปัจจัยที่เป็นสาชาติชาติใหญ่สี่และกลางอีกสี่ใช่ไหมข้อแม้มีเล็กมันมีนิดเดียวมันมียงไงรู้ไหมถ้าสาชาติชาติเล็กมามันได้นะสาชาติชาติใหญ่มันเข้าทันทีเลย คำว่าใหญ่เนี่ยมันเข้าปกคปกคุมทั้งนี้เลยเมื่อเหตุปัจจัยที่ปฏิปัจจัยสหชาตะกามะหรือว่านามมหาลาปัจจัยอินสาชาติตรียปัจจัยมรคปัจจัยชานณปัจจัยเนะถ้าพวกนี้ได้เนี่ยเขาได้ทันดีเขาเข้ามาแล้วแสดงว่าเห็นไหมเมื่อสหชาติชาติเล็กได้สองปัจจัยแล้วสมควรแก่เหตุไหมได้ปัจจัยเดียวก็สมควรแก่เหตุที่เขาจะมาสีแล้ว แล้วสาชาติชาติใหญ่เนะี่ยถ้ามาหนึ่งไม่ได้มาต้องมาต้องสี่อันนี่วิธีคิดที่เขาคิดแบบง่ายๆเนะี่ยพอเล็กมาปุ๊บเนี่ยสาชาติชาติใหญ่สี่เข้ามาเลยสาชาต์ปัจจัยสาชาต์นิสยาสาชาต์ทีสาชาตะอวิคตะปัจจัยได้มาแล้วใช่ไหมมองเห็น ไ, ไหมตอนนี้ยถ้าตรงเนี้ยใช่ใหญ่ก็มาแล้วใช่แต่ว่ากลางนั้นนะ่ะตามสมควรทีนี้ พอไปถึงในเรื่องของสาสาตรชาติกลางตามสมควรไงพอกลางนี่ตามสมควรนี่ก็มองอยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าวิปากับปัจจเอามาแล้วเขาเป็นวิบากจิตชัดเจนได้วิปากับปัจจใช่ไหมอัญญาอัญญาปัจจัยออต้องดูลแลตัวนี้ไอ้ตัวจิตกับตัวรูปเนี่ยเป็นอัญญาอัญญากันไหมถ้าปฏิสนธิหทยวตถุนี่ได้ทาไมไม่ได้เะ เพราะปฏิสันที่หาทะยอถูนี่เป็นที่อาศัยของปฏิสนธิวิญญาณด้วยคําว่าอัญญามัญญะเนี่ยแปลว่าซึ่งกันและกันเนี่ยเขาจะต้องว่าถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าในในปัญจโวกาลภูมิเนี่ยเน้นพิรยศคําว่าปัญจโวกาลภูมิก็แปลว่าภูมิที่มีขันเท่าไหร่ขันห้าใช่ไหมถ้ามาแต่น้ำมาขันโลประขันไม่มาอันนั้นเรียกปัญจโวกาลภูมิไหม ไม่เรียกใช่ไหมอย่างนี้ปนแปล ว, ว่าปฏิสนธิหาเทยวัตถุเนี่ยจะต้องสําคัญมากๆเพราะเป็นที่อาศัยของปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นโดยเขาต้องอาศัยถึงจะเรียกว่ามีภูมิที่มีขันห้าใช่ไหมะ e n c e เป็นอัญญามัญญาปัจจัยได้โดยปฏิสนธิหาเทยวัตถุเขาเป็นที่อาศัยส่วนกรรมมัชรูปที่เหลือไม่เอามานะถ้าหักในแง่ของอัญญามัญญาไม่ได้ พราะคำว่าอัญญาอัญญาปัใจจัยในตัวปฏิสนธิหาเทโยทูนั้นต้องสามารถมาเป็นปัจจัยก็ได้ด้วย <l> เขาขาดกันไหมถ้าหากเอาปฏิสนธิหาเถโยทูมาเป็นตั้งเนะมาตั้งนะเป็นปัจจัยนะตัวปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจับันเน ada, ี่ยกระดาแต่ว่ามันไม่เท่ากันนะเออต้องมันดูอย่างนี้ด้วยพอปฏิสนธิหาเถโยทูกลับมาเป็นปัจจ <l> ัยเครื่อนการละแก่ปฏิสนธิวิญญาณอานาจปัจจัยจะไม่เท่ากันเนื้อ ถ้านั่นแหละที่ที่พูดมาเลยที่พูดมาแล้วมันถูกแต่มันเข้าใจนต่มันผิดไอ้ที่พูดน่ยมันถูกเพราะจริงจริง่ยถามว่าอย่างเจสิกเนี่ยเจสิกที่ที่ที่เกิดในในวิวิบากเนี่ยถามว่าเขาก็เป็นเขาก็เป็นวิบากจิตเขาก็เป็นวิ ว, วิบากไหมล้วก็เป็นวิบากสิที่เป็นวิบากได้เพราะไปอยู่ในวิ ว, วิบากจิตแต่ถามว่าถ้าไม่มีเจสิกล่ะ วิปลากับจิตเกิดได้ไหมล่ะเกิดไม่ได้นั่นแหละคำว่าอัญญามันเป็นอย่างนั้นคําว่าซึ่งกันและกันเนี่ยเอาออกขันใดขันหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอัญญามัญย่เป็นอย่างนี้แต่คนละอย่างกันนะปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นคําว่าเขาได้อัญญามัญย่าเนี่ยแต่เขาไม่ได้สามประยุทธ์นะเขาได้สาชาเต๋อวิบนะไม่ใช่ว่าอยู่ในฐานาวเออถ้าได้มันเหมือนกันเลยแล้วก็งนั้นเหมือนกับเจตสิกยุ่งเลยเห็นไหม มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนอย่างโอ้เป็นพระเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมจริงไห้ครับจุพระเหมือนกันเนี่ยค น, คนละคนละองนะว่างั้นนะแต่แต่มันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเนี่ยเหมือนในว่าเออมีจุดเหมือนเยอะแ ย, ยะแต่จุดต่างก็ ม, มีไม่ยังไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีนามับรูปมารูปปางตอนนี้มาถึงวิญญาณปัจยานรูปเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณสิบ้าเป็นปัจจัยช่วยประกาศแกป่ปฏิสนธิ หาทแยววัตถุรูปตรงนี้นะเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณแยกแยกเป็นสองส่วนไอตัวปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปนี่แหละไอตัวกรรมชรูปแยกออกเป็นปฏิสนธิหาทแยววัตถุกับปฏิสนธิกรรมะมชรูปเว้นหาทแยววัตถุทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณสิบห้าเป็นปัจจัยช่วยบการะแก่ปฏิสนธิหาทแยววัตถุด้ามนาฏปัจจัยก้าวปัจจัย คือสาชาตชาติใหญ่4สาชาตชาติกลาง3เว้นเว้นสัมปยุตปัจจัยแล้วก็สาชาตชาติเล็กสองคือนามมหารปัจจัยแล้วก็สาชาตินทริยปัจจัยได้บอกมาแล้วใช่ไหมวิธีคิดสาชาตินทริยปัจจัยกับนา ม, มาราปปใจัยที่วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณ15เนี่ยเป็นปัจจัยช่วยประการละแก่ปฏิสนธิหาทแยวัตถุในปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติเล็กใช่ไหม เหตุปัจจัยไม่ได้สาชาตาที่ปฏิปัจจัยไม่ได้สาชาตากรรมปัจจัยไม่ได้เพราะไม่ใช่เจตนานามมหารปัจจัยอย่างนี้ได้สาชาตินทริยปัจจัยได้ใช่ไหมได้มาแล้วสองปัจจัยชานะปัจจัยก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ชานนี่มัคปัจจัยก็ไม่ได้สรุปแล้วตัดทงนั้นทิ้งไปหปัจจัยก็เหลือสองปัจจัยนี่คือปัจจัยที่เป็นสาชาธชาตเล็ก ส่วนสาชาตชาติใหญ่สี่สาชาตะปัจจัยสาชาตะนิสยปัจจัยสาชาตัดทีปัจจัยและสาชาตะอวิคตะปัจจัยนั้นได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเล็กมาได้สาชาชาติใหญ่สี่เขาก็เข้ามาปกคลุมอยู่แล้วส่วนองค์ของสาชาตชาติกลางนั้นเขาบอกว่าเข้าได้ในสาชาตชาติใหญ่กลางเล็กได้ตามสมควรว่า้นตามความหมายคําว่าตามสมควรในที่นั้นในที่นี้ดูยังไง ถามว่าวิปากับปัจจัยสัมปยุทธ์ตปัจจัยอัญญามัญญะแล้วก็สาชาตวิบเนี่ยอันไหนได้ไม่ได้ก็มาตรึกดูใช่ไหมถ้าหากวิปากับปัจจัยแนี่นอนแล้วตัววิปากับจิตอยู่แล้วใช่ไหมปฏิสนธิเจ็ดสิบห้าก็เป็นวิบากใช่ไหมเมื่อเป็นวิบากก็ได้วิปากับปัจจัยคิดง่ายเลยอย่างเงี้ยถามว่าอัญญมัญญาปัจจัยได้ไหมเอาปฏิสนธิ วิญญาณกับปฏิสนธิหาทายวัตถุต้องอนยามัญญาปัจจัยก็ซึ่งกันและกันอยู่แล้วขาดกันและกันไม่ได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วใช่ไหมในปัญญโวการภูมิภูมิที่มีขันห้าต้องมีปฏิสนธิหาทายวัตถุในปฏิสนธิการด้วยต้องมีมาใช่ไหมเออนั้นชัดเจนทีนี้สัมพยุตตา ป, ปัจจัยได้ไหมได้ไม่ได้รูปกับนามเป็นเป็นสัมพยุตรหรือเป็นวิบยุต เป็นวิปยุทธโดยส่วนเดียวเป็นสัมปยุทธไม่ได้งั้นตัดทิ้งไปสัมปยุทธนั้นไม่ออกจริงๆด้วยแต่สหาชาตะด้วยและเป็นวิปยุทธด้วยนั้นมีอยู่ถามว่าปฏิสนติวิญญาณ15ปฏิสนทิหัตยยวธถุเนี่ยเกิดพร้อมกันไหมเกิดพร้อมกันเป็นสหาชาตะแต่เป็นวิปยุทธจึงได้ในแง่ของสหาชาตะวิปยุทธนี่ได้แล้วได้สาม สรุปก็คือใหญ่สี่กลางสามเล็กสองรวมเป็น9ปัจจัยนี้คิดง่ายๆนีตามสูตรของชาติลำดับของชาติทําไมอารามณะชาติอนันตระชาติวัตถุปเรชาตชาติอาหารชาติรูปชีวิตติณฑริยชาติปกตูปนิสยชาตินานคณหนี้กกรรมชาติทําไมไม่เอามาคิดบอกคนละชาติเลยในที่นี้ตัวปฏิสนที่วิญญาณกับตัวปฏิสนที่หาทแยวัตถุอยู่ในสาชาติชาติ เมื่อคิดชาชาติชาติก็เอาแค่สิบห้าปัจจัยมาคิดประหยัดในการคิดเยอะไหมประหยัดเยอะเลยเห็นไหมเราเป็นคนไม่หลงอีกแล้วแต่นี้เฮ้ยเรารู้จะคิดเราก็คิดอยู่ในทีในในที่ที่ควรคิดไม่ได้คิดในเรื่องที่มันมันเกินไปเริ่มเห็นนี่ยังแต่นี้ยยอาหมูยอาหมูเพิ่งค่อยๆเห็นนั่นนะแต่มันไม่ค่อยโผ่มันหมกมันมันมุดลงไปอีกแล้วก็ว่างันเมื่อกี้มัน ขึ้นมาแล้วแต่มันมุดไุดใหม่ก็ว่าแม่ไอ้ตรงนี้สิไม่จับมันไว้ก็ว่างั้นนะต่อไปนะปฏิสันที่วิญญาณสิบห้าเป็นปัจจัยช่วยบุกการแล้วแก่ปฏิสนธิกรรมมชรูปไอ้ตัวปฏิสนธิกรรมมชรูปเนี่ยเว้นหัตถยัตถุใช่ไหมถามว่าในปฏิสนธิการเนี่ยอ้าวเอาดูมีกรร ม, มชรูปเท่าไหร่เกิดกรร ม, มชรูปยี่สิบใช่ไหมกรรมมชรูปยี่สิบเอาปฏิสันที่หัตถยัตถุกออกไปเหลือ กรรมมชโลสิบแปดสิบเก้าใช่ไหมพอยี่สิบยังวงวงเงียไรไรู้มาจากไหนบ้างมาลกันเน้นพิดยอดกรร ม, มชรยีรยรยร่สิบนับยังไงนับยังไงนับยังไงอาปฏิกร ม, มชโลภยี่สิบเนี่ยนับยังไงอเรียนเด็กฮะนี่สีมาชิมาโทตัวจริงเนาบกนานเะมื่อกี้ทาไมไม่เอาภาวะลบด้วยนะ <laughs> ภาษาทะลปห้าภาวะรูปสองหัทยะรูปหนึ่งชีวิตทะลุหนึ่งใช่ไหมเป็นเก้าแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นเก้าอวิณิพกทะลุแปดปริเฉศทะลุหนึ่งรวมเป็นสิบแปดใช่ไหมอุปัจจยสันติยี่สิบหรือยังยี่สิบแล้วเฉะนั้นปฏิสนธิหัทยัตถ์ูกเอาออกมาก็เหลือสิบเก้าเนี่ยในกรรมมชรูปสิบเก้าเว้นหัทยัตถุูกรูปนั้นน่ ถามว่าตัวปฏิสุทธิวิญญาณสิบหเป็นปัจจัยช่วยปุาราแก่กรรมมชรูปสิเกเว้นหาทาัทไทยวัดเว้นปฏิสนทธิหัทไทยเนี่ยนะถามว่าดำหน้าปัจจัยสงเครล้อเท่าไหร่ก็สูตรเดียวกันวิธีคิดเลขยังเหลือสองดำเดิมไหมเหลือสองเหมือนเดิมเลยใช่ไหมก็เหลืออะไรล่ะนามมาหาราปัจจัยคือได้วิญญาณอาหารสาชาเินทริยะปัจจัยคือได้มณินสี่ใช่ไหม ส่วนสาชาตชาติใหญ่สี่มาอยู่แล้วสาชาตปัจจัยสาชาตานิสยปัจจัยสาชาติทิสาชาตาวิคตาปัจจัยสาชาตชาติกลางล่ะอัญญาัญญาปัจจัยยังเหลือไหมต้องตัดออกไปแล้วต้องตัดออกไปแล้วใช่ไหมตัดอัญญาบญรยปัจจัยวิปากาปจจัยอยังอยู่สามยุทธก็เอาออกไปอีกแล้วกลางเหลือเท่าไหร่เหลือสองแล้วได้สหชาตวิปยุทธปัจจัย กลางสองเลขสองสี่บวกอีกใหญ่สี่เป็นแปดอัญญามัญญะไม่ได้ใช่ไหมแปดประจัยไหมนี่ได้แปดประจัยแล้วเห็นนี่ยังเดีเยนีย้ไอตัวเลขเดินนะเพียนแต่ความเข้าใจเขาว่าจาไม่เห็นกวางกันเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่แหละคือคือปฏิสนธิหัทยวัตุเว้นที่ถูกเว้นออกไปอำนาจประจัยก็เหลือแปดต่อไปก็คือ ถ้าถามบอกว่าประวัติวิปากรวิญญาณเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูปนั้นไม่ได้แสดงและไม่ได้มีกล่าวไว้เลยส่วนกรร ม, มวิญญาณ25กรร ม, มวิญญาณ25ปฏิสนธิและก็ประวัติกรรมชรูปเนี่ยนะปฏิสันธิกรรมชรูปประวัติกรรมชรูปเนี่ยตัวกรร ม, มวิญญาณ25รู้จักกรร ม, มวิญญาณ25่ส้าเนี่ย อกุศล12มสหากุศลแล้วก็รูปกุศล5เนี่ยเขาเรียกกรรมวิญญาณ25ห้คือวิญญาณที่ทํารูปไม่เกิดขึ้นในประวัติการนั่นแหละทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการเนี่ยถ้าในปฏิสนธิการเนี่ยเฉพาะอสัญญาสัตตภูมิอสัญญาสัตตบุคคลนะประวัติวิญญาณก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละได้ปะกตูปนิสยปัจจัยอันนี้ปะกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยช่วย ป, ประการละแก่ปฏิสนธิกรรมชรูปในอสัญญาสัตตภูมินี้ และประวัติกรรมชรูปในปัญจโวกะระภูมิและเอเกโวกะรภูมิได้าน่าปัจจัยหนึ่งคือปะกตูปนิสยปัจจัยตรงนี้คําว่าปะกตูปนิสยปัจจัยก็เขาเรียกว่าปัจจัยที่เป็นที่อาศัยเนี่ปะกตูปนิสยปัจจัยนีย่มันแยกมาจากอุปนิสยปัจจัยคําว่าอุปนิสยปัจจัยเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสาม แบ่งออกมาเป็นอารามานูปนิสยาอนันตโรปนิสยาและปกโตปนิสยาสำหรับบาลีนิเทศที่ท่านกล่าวบอกว่าที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าทำอันเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าเนะี่ยชื่อว่าอุปนิสยะเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าทีนี้หรือทำมันเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากกําลังมากด้วยเนะย อุปนิสัยเนี่ยแรงกล้าและมีกําลังมากทำที่เป็นผู้อุปการะโดยความเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าไอ้ตรงนี้แหละเป็นเป็นอุปนิสยะถามว่าเมื่อเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าเนี่ยเป็นธรมที่อุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากด้วยคําว่าอุปนิสัยปัจจัยจึงเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้มันมากในแง่ไหนประการต่อมาคือมากในแง่ของอารมณ์เช่นอารมณ์มนูปนิสยะ เห็นไหมอย่างนี้ก็มากทำที่เป็นปัจจัยที่มีกําลังในที่นี้ได้แก่อารมณ์เป็นอธิบดีอาเงี้ยอารมณ์ที่ชัดเจนเป็นอธิบดีเนี่ยนะในอารมณชาติเนี่ยอารมณนาธิบดีเนี่ยคืออุปนิสยัยคือมีกําลังมากถ้าหากว่าอะไรเนี่ยกุศลราชาตามหาประเพานางประเพาดีร้อยยอดเนี่ยที่จะยกกันบ่อยที่สุดก็คือตรงนเนี้นะอันนั้นคือมีกําลังแรงมาก แปลว่าเห็นแล้วนั่นหรือถ้าฝ่ายกุศลเนะก็เหมือนกับว่าพระราชาชื่อพระราชาอะไรทิ้งราชบัลลังก์ที่ทิ้งเลยอะใช่ไหมพอได้ยินคำว่าพุทธทางพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วพอได้ยินแค่นี้พระราชาทานทรัพย์ให้แสนหนึ่งเลยพอทำอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วคือพุทธเจ้าแสดงทาแล้วไม่ใช่ว่าไม่แสดงนะก็ให้อีก พาเลียสงปรากฏเกิดขึ้นมาเวลาเขาฟังแค่เนี้ยเขาคิดยังไงรู้ไหมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยเขาเขาเขาบอกเขาเขาโล่งใจแล้วกว่าที่จะมาเกิดได้ใช่ไหมเพียงบอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเนี่ยเขาเบาใจโล่งใจอย่างมากเลยเขาชื่นใจอก็คือเขาจะได้เห็นนะเอ๊ะถ้าบอกพระพุทธเจ้าแสดงถามโอ้เขายิ่งโล่งใจใหญ่เขายิ่งโล่งใจใหญ่เห็นไหม พอบอกว่าแสดงธรรมใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความดีใจก็ระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าบอกพระพุทธเจ้ากล่าวพระธรรมนี้แต่ว่าเมื่อกล่าวพระธรรมแล้วถามว่าแ ล, วแล้วมีคนได้รับผลจากการกล่าวไหมพ่อบอกพระสงฆ์แค่นั้นนะโอ้โหเรามีโอกาสแน่เรามีโอกาสแน่อแนตอนเนี้พระพุทธเจ้าเกิดหรือยังเกิดแล้ว พ, พ, พระพระธรรมก็เกิดแล้วคือพระเจ้าแสดงธรรมแล้ว เพระสงฆ์ก็มีแล้วแล้วเรามีโอกาสนีครับนะคนที่ตรึกอย่างนี้จะเป็นอารามนาธิปพอดีจะเป็นอุปนิสยปัจจั ย, จยคนที่คิดแรงกล้าอย่างนี้จะเป็นอุปนิสยปัจจัยในทางด้านของอารามมนุนี่เป็นอย่างนี้นะส่วนอนันตรูนั้นนะ่ะก็แปลว่าเกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นแล้วแรงเนะในทํานองบอกว่าแรงขนาดไหนะ ขนาดพบต่อพบอะอ น, นันต์รู้แรงไหมถ้าไม่แรงมันจะเชื่อมต่อกันได้เกิดขึ้นสืบต่อกันได้ไหมล่ะมองเห็นใช่ไหมระหว่างพบต่อพบระหว่างภูมิต่อภูมิไกลกันขนาดไหนอ่ะอย่างเอาอย่างสมมุตินะเราคิดแบบเล่นๆนะย้อมหมูสมมุติยอมจุติปุ๊บเดียวเนี่แค่บอกไปอเมริกานิดนิดเดียวที่จะจุติที่อเมริกาเลยเนี่ยนะอันนี้แค่โลกนี่ไม่อัศจรรย์นะ แต่นัาาจารย์ยิ่งบอกว่าบางทีไปคนละภูมิแล้วแต่ความมาไปคนละภูมินึงเป็นอนันตรูเนะเกิดขึ้นติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นนิเนเห็นไหมความที่เขาแรงใช่ไหมสามารถทำผลของตนให้เกิดขึ้นได้เป็นอนันตรูปนิสยปปจุบันเลยไม่น่าไปได้ใช่ไมแค่จุดติดจิตเดียวเนี่ย